เสียงป้าครวญผีรุนคุ่ทางหนาวเชาหนาวฝนเนื้อทนจิงถึ้นการดอม มาคลายลองท้องนอนกอดหมอที่มีได้เพงเพอนางให้มางบูกเห็นปากลุงพี่ยิงง่งกลุมมในสวมบมวนตกก็ลิ้มชาลำสา ยังปานนี้วนกวนตัวชาทางหนาวเจอหนาวฝนเหนือทนอีก น, อ น, น, อ น, น่าระดองอนนหอมนวลหรือกบเกือม่มีนนเหมือนเม่กอดไม่ยด มาไกลนอนต้องนอนกอดหมอนนี่มีได้เพียงถึงนานใครมามงหมู ดวงใจนางเต้มสมใจพี่แล้วแก้วพี่เอย ด, ยนดวนตรางของพี่ไว้ชื่นเธอพี่จะขอเอื้อนเลยแต่คำว่ารักจันตา สวรสร้างให้ที่สมใจในชาติที่ผ่นมาวันคืนขอเช่นไวแน้แล้วที่จะรักไม่น่ายสายุดใจเปลือบล ตาสิมองทุกสิ่งอกอกีมีจะบ่มบ mm hmm. ่องหลงปุ่นนายไอพ้พิงเพื่อเป็นยิ่งควนนางเธอ mm hmm. สวนสร้างนางให้ขอรับจนสุดดวงใจไม่พลาด ยาประพงส์จะรงเพงทิโคนาเอนำก